แต่อย่างไรก็เสียเงินเสียทองแล้วต้องไปเสพสุขจากเสียงดนตรีราคาแพงจนได้ขณะมองไปบนเวทีอันประดับประดาแสงสีตรการตาภายในของฉันว่างโวงและต่อไม่ติดกับภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินเอาเลยจิตคอยหวนมาร ล, ลึกอยู่กับลมหายใจว่ากำลังเป็นขาเข้าหรือขาออกรวมทั้งหมันสำรวจโดยไม่ตั้งใจเส ม, อ, เสมอว่า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 ไม่มีงานเลี้ยงและคอนเสิร์ตใดไม่เลิกราในที่สุดฉันกับน้องๆก็ต้องออกจากสเตเดียมกลับขึ้นรถเมื่อเปรียบเทียบกับความปลอดโปร่งโล่งสบายยามทำสมาธิตอนนี้ถือได้ว่าฉันมึนหัวไปหมดหนักอึ้งที่กลางอกจิตใจทึบตื้อเมื่อพอคลี่คลายออกมาบ้างก็ฟุ้งกระเจิดกระเจิงตกลงฉันจ่ายเงินแพงๆมานั่งเสียเวลาเป็นชั่วโมง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 และเดินจงกรมยังเห็นคุณค่าของรสสุขทางจิตมากขึ้นทุกทีสุขอื่นเสมอความสงบไม่มีจริงจง